sa pakवाต अहाต समा सपทsa na मsa pakต अहाต स सbuทचा na मतsa pakต अहाต सมาสभทsa पाที่ru পাทสवाtจากพ ca ku jaता आ सपानीथी โมทมังติบัดนี้อาตมาจะได้ดำเนินหน้าที่ของอินทาธิราช <c oughs> เก็บกุ้งหอยสุ่มป่าไปตามประสาจนคันธุมนาวันหนึ่งพระอินทาธิราชได้สอดส่องมองลง ฝ่ายยายกำลังเพลินเดินไปมาเก็บปูม ฝ่ายองค์อมรินทร์ไม่สิ้นพยายามยายไปไหนก็ไป <ไป S 1> บัดนี้คุณญาติคุณโยมทั้งหลายหันมาฟังหน้าที่ของยาย นั้นไปหาหน้าที่ซึ่งนางอรดีรับแล้วซึ่งเพิ่นอาจารย์ยอด <Jub ilee> ฟังออถอนก็ติก่อนบันบอนฟังสุดทอนภาคสอนนิทานเข้าคอยพ่อแม่ท่าน ฟังผู้ใด๋ติจังสิได้ปัญญาเกิดเห็น เจ้าหัวหลานท่านยอดเยี่ยมผู้เทศแก้วแก้วเอื้อนแอ้วไปเติมชูโลดไว้ปิดโทได้กะสิปล่อยก็โยมแถมแบ่ง 10 คือแบ่ง 100 โองโยเอ้ยหนอนะณบัดนี้กะสิได้ ตั้งได้เต้าอยู่บ้านเลี้ยงลูกอ่อน 2 คนถึงลูกต้น ทางจนถึงเป็นหมายบ่อยากเจอได้ ได้บัดสมหมาดมุ่งพอเมียนเปียงขาน Mient pa'kan fói kè, p'an hà จังมีนเบือตะหลอดหลวนวันแล้วจอยก็เป็นตาคิดขึ้นมาแล้วอูกใจลวดสำภัยเผาเนื้อเหลือแต่บูตตาไว้ จังได้ถามตะโยมเจ้า อันนั้นก็ดีลําพังฉะนั้นแล้วก็ ทางอาตมาจะได้ว่าเป็นทำนองสารพันยกถาวิธีสืบต่อไปมีเนื้อขึ้นมามื้อเช้าแห่งทรง ไส้กล้องเหลี่ยบรؤ развит แล้ว esti leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo l ii heong buatه m saber birthday, hie ng b DFUH maa a m e NGW u y luc ll Mul m e nGW a n e RCADWAAAW WAブ ど非常的 Eye be ya bW Death jeo ceo seu for me s o b o b o L y m e o his team co โอ้ยเจ้าก็จะเว้าหลายถ่อแม่เอ้ยเจ้านั่นล่ะเป็นแม่นั่นน่ะแต่ว่าข่อยแม่เอ้าเว้าเรื่องไปหลายบ่อยากไปหัวมันซ้ำอีกดอก ก็พาอITTอนห่วมหลืองหน่า nickrando เม่พ่อ baskets most when you witched him ล้��รมอ bunu Damitsell you to reel you true esos หาเอาไผก็เฒ่าอีแม่เอ้ากับพระน่ะเหลวเฒ่านั่นแห่อันเจ้าบ่เฒ่าติอีแหมแม่ก็เฒ่าอยู่นั่นล่ะอี นี่อานุสรณ์เสิร์ฟเนื้อ เอ้าขอพาเดียงหัวคอยเห็นฟังเด้อโขงโยมเฒ่าชราการโอ้ยขึ้นซื่อว่าสังฆานเกิดมานานกะว่า เอ้าเท่ามาแล้วออนลาได้อวดอวยหุยแล้วใจกับ Áo, thau, đổi, โอ้ยควรสิเข้าวัดได้ต่างต่อโอ้ยสิขอติ่ง ตอกลางนั้นเป็นแก้วของก่าน้องกลางหน้านั้น Bà chẳng đại nàm độc nàm lạc sà thàm mùi nòa nàm. ขออภัยเจ้าอย่าถึกสาเว้าพุ่นม่วนล่ะตอนนี้ขอชวน มีแต่ไปหาสวนผู้ป่าคุ้งกำละกำละน้ำอ้อมหวย โอยไปเพียงห่ากว่าอื่นพวกหมู่ไป โอ้ยบักลูกเอยมันกะดราบเต้าดิน Áo phà giat oh, tạp cà trăng, Đầy cực bueno, có khỏa tiết lưới, Đầy đạp đọc chỉ huyết, Bỏ dường nhắn năm tâm, Chết leo năm đọc tùm phường, Là bố kiam chín mẹ tết, Nói uối mắn xa tèc, Te coi lột ย่างแม่กลามละนออยู่องค์องค์โอ้ยหน่าเอานี่ล่ะทุก Finsa-ta-va-bò-tea, ú o o ผู้เตียนังต่างบัญญ้ายพวดว่าบุญเหลือลายกว่าโทษคนบัญต่อยล่าบาทวาตัวของค่อยล่า A'amqa bora'ai ha'ek a'ngai t'ang s'dirin. B'a chi viit d'og c'au t'au t'in-s'dirin d'an l'u-ng n'arog J'ang s'si-tok-qum-dai b'a-hung-hinn d'og ph'anoyella V'a ma'deung โo i i i i i i i i i i i i i i เอ้ายายจันทร์ที่ผู้ตีพงษ์หล่าเทียบมาเด้อหลวงปู่โอ้ยไปหากรเสียดหน่อยนําค้อยนําย่างแม่น <Sessicstellar> <ssety> <bitches> <sess> <smel> จากนั้นใหญ่ฉลาดก็ได้หาอุปกรณ์การหากินออกจากบ้านมุ่งหน้าสู่ จำแลงแปลงเป็นพระให้ยายฉลาละจากการธรรมปนาธิบาสอ่านางก็ไม่ละธรรมปนาธิบาสได้ยายคน ก้าวปายายฉลากําลังสุ่มปลาอยู่เมื่อเห็นภิกษุมายืนอยู่ณแลไหว้เท้าสกะอมรินทร์พระเมสิณมานะจะสั่ง แม่ยายแก่หันหน้าสู่ทักษิณองค์อมรินทร์ปรากฏกำหนดใกล้ทุกทิศทางเหลืองโอ้ยกะจะแม่นโพดซะแม่น ไม่ติิงสมนักษณะพงหวลดกกันอย่างบ้ากันยังว่ามาว่าช่างๆเนไม่ออกปิงหัวลนกันมีอยู่จีไม่ออกอุวยบว่าตมี่เหลวอออยบวาตมี่ไนมันมีโพดมีหลายจีไม่ออกนี่ยัง้โพดก็ดอกกระที่จะจะจริงนั้นนะ่ะมีบมีี่กระตามหามั่นทอ เมื่อว่านี่กหินมันกำทอองตามแพวกล้เฮอน เ� It was sometime ไปก้อยสติเตรียงไปเถอะพองก boreün 2020 ian literature 때는 มาเล่นมาคุยนำก็บ่สนดอกหีฟ้าวนี่เป็นหยังเห็นพระมานึ่งหากินบ่หมานอยู่อย่ามา Hist Character's Has its right, your man will send this of you ดีจังไดเอ้าดีตัวสิบ่ได้ทําสิได้ทํา ป่าวหยังกะป่าวเว้าซั่นตัวเว้าแล้วกะป่าวหนีคั่นบ่หนีนี่สิเอาปูก้ามควงนี้ไปอ่าหอยก่อนปูสอน Montan samang kawa-to Ang rahat-on samasam putasang Na montan Don Samma Sambo Tha จบตำมันอภิวาทธนาวาดกราบปราบพุทธเจ้าองค์เฒ่าผู้เปี่ยมคุณ รัตนาง3 แก้วเอ้ยโอ้ยเซ็งตา 10 โอ้ยบัดนี้ข้าพเจ้าสิได้เล่านิทานก่อนดอกแม่เอ๋ย เพราะแม่เอ้ยทํามาเป็นดังน้ำชะลวมรูปกายกิตทํามาเป็นดังน้ำชะลวมรูปกายกิตดอกแม่เอ้ยชำลาเน้ววันพินชิเลชใจกว่างห้าม บ่บักง่ายฟังแล้วจําชื่อได้เป็นข้อสั่งสอน เอาละเนาะตอนนี้น่ะกราบถึงคุณ โอ้หนอยู่โอ้โอ้โอ้โอ้ยน้อเอ้าบัดนี้ฟังเอาถอนน่ะอย่าเอานอนยายตั้งเที่ยงฟังสำเนียงเทศตอนก่อน เติมพาป้อเพิ่นฝากไว้ซื่อมไสคติธรรม โอ้ยพ่อแม่เอ้ยศาสนานับมือสวยเอียงอวยตาม โอ้ยมืดแล้วบ่ฮู้แจ้งเข้าบุญ ตากันแต่คนเข้ากิเลสหนัก โอ้ป่าไม้คือใหม่ในไผรุกขชาติผู้เพิ่นปานฉลาดโอ้ยจังว่าหลายโอ้ป่าไม้โอ้ว่าเมือง Fai tan aco cua tùm cău Fu anca chà e lanòi Ho, ho, ho, ho, ho, วันคำหนึ่งทั่วกินอิน ว่าดุระยายเท่าให้ฟังเอาสาขนยาเบาใจบุหอนฟังท่อนบนศิกษาบุญหักลายขอฟ้าที่ได้เกิดเปลี่ยนค้นว่าท่านหลวนกับพอยเสียชีดสลายมาลายมาเหมือน ควรสิทำบุญ โอยยายเอ้ยทำบ่ดีสวกสาสิไหลค่าเสียผลนะวุ่นกูตนบ่สัตว์โลกนี้ สงสารดอกอยู่มือเอ้ยจักสิหาน โอ้ยเกิดเป็นคนแล้วจังสิกะนับว่าบุญหลายดอก ไปได้บ่คำนึงน่ะโอ้ยพ่อแม่เอ้ยบ่ว่าเฮาเข้าทานน่ะบ่ว่าเฮาเข้าทานรักตายกลัวตายดอกด้วย โอ้ยเพียงแต่ว่ารูปร่างโอ้ยเจ้ารักเฒ่าแก่แล้ว โอ้ยสนิมใจคักคองหม่องมัวให้โอ้ยเจ้าหักผิดมาแต่ เติบต้องดูคำค่อยสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้อ ว่าจังได๋เฒ่ายายเอ้ยพ่อสิละได้บ่ เออแม่ออกเจ้าบ่ทันเข้าใจบ่ฮู้จักความหมายที่ข่อยเว้าข่อยว่าเด้แม่ออกอันปานาที่ข่อยว่านั่นบ่ได้หมายความว่าจัง ไปกันใหญ่แล้วแม่ออกเอ้ยเอ้าสิใหญ่ได้จังได๋บ่แม่นสร้างแม่ฮ่วยเอยายนี่แม่ข่อยบ่ได้หมายความว่าเอากับเจ้าจังสั้น ปStation Deks darum ขอท่ายสะก่อน pone คว่าปาน่านันว่าได้หมายถึงประโดยเจพปะอีกอย่างตางๆกระสามสัดเล็กสัดหน่อย 5 แม่ง่องแș่งкой หมูห repairing สั่งมาว่าพ Dumas อ่ายามผัดภาคจากพ่อจากแม่กันน่ะเขาก็ต้องมีความสุขสรรลำพึง ยาทางนี้ทางนี้ปันเสียวละแม่ล่ะว่าจังได๋พอเฮ็ดนําได้บ่คันเจ้าเฮ็ดได้ <c oughs> โอ้ยแม่ออกแถวมื้อนี้ช่ำแม่นบ่เข้าใจตาตาเวเพิ่นมาปานเด็ด <c oughs> พระไทยองค์อมรินทร์ทุ่มสมเพชเวทนาจะสงเคราะห์อีกสักคราก็คงพอ คิดไม่ออกใจโหดโกฎไม่หายไม่ออกใจโหดโกรธไม่หายรีบฉอนกุ้งสุ่มปลาโอ้ยอีบ่ม่านคือว่า อีพวกเก่าอีกนั่นล่ะโอ้ยเว้ามาจังแม่ฟังนั่งหน้าพักองค์นี่สายสลุกอ่อนเพิ่นว่าจังได๋ล่ะแม่เพิ่นคือจังมาดูเอานั่นแล้วท่านสิได้บอกหยัง อ้าวอีแม่เจ้าไปด่านาวเฮ็ดหยังหาเรามาให้เลขให้โชคให้ลาพี่หลีก็เป็นได้เด้ออีแม่ข่อยว่านั่นน่ะโอ้ยแม่บ่มีอารมณ์ซ่อผู้ใดดอกใจให้ด่าลูกเดียวบ่ว่าแต่ง ว่าไปแต่งแต่งงามได้บาดนี่แม่ลิ้นกับไผบ่ลิ้นดันมาลิ้นกับแม่ใหญ่พี่ปากไฟก็ลองอ้าวแม่บ่ผิดจังได๋หาเพิ่น